ที่ทำกัลยาณมิตรทุกๆท่านที่มาร่วมการทำบุญทำความดีในวันนี้มาร่วมฟังทำปฏิบัติธรรมในรายการสุขกายสบายใจในห้าวันผมก็ถือว่าโชคดีได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญกับท่านด้วย ในแง่ของการให้แง่คิดให้กำลังใจเป็นเพื่อนเป็นการยณมิตรอยู่จนกระทั่งจบงานเลยก็ยินดีที่จะพูดคุยปรึกษาได้ทุกเรื่องที่เจอกันพัวเจ้าถ้าอาจารย์สมใจท่านก็มาบอกบุญละผมก็บอกบุญเหมือนกันแต่ไม่มีเรืร่ออะไรนะ <c oughs> คำมันใช้ด้วยกันอ่ะบอกบุญเรืร่ออะไร อันนี้บอกบุญไม่ต้องเรียกอะไรนะบอกบุญมาแจกบุญโดยธรรมดาแล้วเนี่ยรายการก็ตั้งหัวข้อว่าสุขกายสบายใจในห้าวันเป็นเพียงแค่เริ่มต้นแค่ห้าวันกันได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งกายทั้งใจที่จริงความสุขของคนเราเนี่ย ก็ไม่เกินสองอย่างเนี่ยสุกกายสุกใจความทุกข์ก็ไม่เกินสองอย่างเหมือนกันนะทุกกายทุกใจสุขของร่างกายเนี่ย อ, ออยากจะถามเป็นเป็น อ, อข้อคิดแง่คิดตั้งหน่อยว่าใ น, นจำนวนความสุขกาย กับสุขใจเนี่ยอะไรมันหาง่ายกว่ากันใครว่าสุขกายยกมือขึ้นอ่าเยอะนะเนี่ยนับถือวัตถุใครว่าสุขใจยกมือขึ้นครับโ อ, โอ้บางคนบางคนว่าเสมอเลยนะบางคนยกสองครั้งเลยไหนใครไม่แน่ใจ ไหนใครไม่ได้ยกยกมือขึ้นก็ถามไปอย่างนั้นแหละบาทีการเคลื่อนไหวมันช่วยสลายความม่วงไปเหมือนกันนะก็ไม่ไม่อยากจะบอกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะเพราะบางคนมีความสุขทางร่างกายมากกว่าบางคนบอกมีความสุขทางใจหาง่ายกว่าเนี่ย สุขของร่างกายคือสุขที่เกิดจากความมีสุขภาพดีความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวความไม่มีโรค <c oughs> อันนี้สุขทางร่างกายอยันนี้ก็คือสุขด้านจิตใจสุขทางใจนี่ มีแต่การสุขจากการได้เสพวัตถุเพียอเป็นวัตถุกรามคือมีความยินดีติดใจในการดูดูในสิ่งที่สวยงามก็มีความสุขนะดูฟังในสิ่งที่ไพเราะเสียงก็มีความสุขได้เสียงเพลงเสียงสวดมนต์ดมกลิ่นทางจมูกที่หอม ก็มีความสุขทางลิ้นก็ได้ชิมรสชาติอาหารที่อรเด็ดอร่อยในเมื่อกลางวันเนี่ยแล้วก็บอกโอ้อาหารถูกใจมากอาหารถูกใจมากก็ต้องทานเยอะหน่อยใครทานอาหารเยอะเดี๋ยวก็ต้องเป็นไปตามกรรมคือง่วงตามระเบียบสร้างกรรมเอาไว้เนี่ย <c oughs> ตอนบ่ายก็ต้องชดใช้นี่กรรมนั่นแหละคือเจ้ากรรมในเวรมาทวงความสุขจากการกิน สุขทางด้านการได้สัมผัสนุม่มนวลเย็นเสียวซ่านสุขทางด้านร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ทางใจได้นึกถึงสิ่งที่มีความสุขนึกถึงความสำเร็จนึกถึงความสุขที่จะรอในอนาคตนึกถึงสิ่งทีง cept, ่ดี อันนี้ก็มีความสุข <Yeah. S 1> ซึ่งความสุขแบบนี้ไม่ต้องสอนไม่ต้องฟังเราก็สามารถแสวงหาได้ไม่ต้องมีใครแนะนำํำพระรูปเจ้าไม่จำเป็นต้องตัดสู่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็หาได้ถ mm hmm. ืวเป็นความสุขแบบเออ่แบบล้านสมัยอ่ะคั้นต้นๆ <laughs> <laughs> แต่และท่านมีมาแล้วเป็นของคู่โลก ข้อสุขท่านต่อมาเนี่ยอันนี้ว่าสุขทางใจนะยาหน่อยแล้วได้เลือกได้ว่า อ, อันไหนมันอันไหนมันหาง่ายกว่ากันสำหรับตัวเราสุขทางใจข้อหนึ่งก็คือเราได้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะทำประโยชน์กับตัวเองนทําประโยชน์กับส่วนรวมทํางานเสร็จก็เป็นสุขเสร็จแล้วอื่นก็เป็นสุขทําความดีก็เป็นสุข ได้รับคำชมเชยก็เป็นสุขสวดมนต์ไหว้พระได้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นสุขได้ในเรื่องเริ่มยกระดับความสุขขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งขั้นจิตใจเอาขั้นที่สามอันนี้อีกหน่อยอีกระดับหนึ่งสุขเกิด จากจิตใจที่สงบอาจจะสงบจากการทำสมาธิหรือสวดมนต์ผลคือความสงบหรือตั้งอยู่เฉยปล่อยใจว่างๆโดยที่ไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไรเลยมันก็มีความสุขได้เห็นไหมเราไปในบางที่บางแห่งเนี่ยบางทีเราเอ๊ะทำไมใจรู้สึกสบายเหลือเกิน <c oughs> แล้วก็แวบเดียวก็หายไป ไม่จะหวนคิดอยากจะได้ความสุขแบบสงบที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยว่ามันสงบมันสบายมันก็หายไม่พบใครเคยทาสมาธิบ้างอ่ารู้สึกความสุขตอนนั้นมีบ้างไหมเนี่ยมันจะเป็นความสุขละเอียดละเอียดกว่าความสุขขั้นต้นต้นเนี่ยสุขภาพจิต ด, ดีความสุขอีกขั้นหนึง่ง <c oughs> ขั้นของการเอาพูดถึงเมื่อกี้หน่อยนะสุกเกิดจากการเข้าฌานสงบลึกเด้ก็เหมือนกันนะเป็นความสุขที่เกิดจากการทําสมาธิเข้าฌานก็เป็นสมาธิแบบลึกถึงองฌานนะสุกอีกขั้นหนึ่งคือสูงไปหน่อยหนึ่งสุขจากการรู้แจ้งรู้แจ้งในรู้แจ้งในความจริงของธรรมชาติ ของโลกและชีวิตของกายของจิตของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายปวงนั้นสภาพของเขาเป็นอย่างไรรู้แจ้งรู้ชัด เ, เรื่อเป็นปัญญาหรือสุขจากการมารู้จักตัวเราเองตามความเป็นจริงแล้วคนบอกว่าไอ้สุขรู้จักตัว เ, เองเนี่ยเขาก็รู้นะ นะรู้ไหมรู้จักตัวเราเองอาจจะรู้แบบไม่แจ้งอ่ะก็ยังไม่พบความจริงต้องรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าตัวเรานี่ประกอบขึ้นด้วยอะไรสิ่งที่ประกอบขึ้นคือกายคือจิตเนี่ยคือตัวเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไร เ, เข้าใจชีวิตเข้าใจตนเองจะมีความสุขที่สูงสุด พอเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยใจยมันไม่มีกิเลสไ อ, อ, อที่เราไม่เข้าใจตัวเองมีความยึดมั่นถือมั่นก็ถูกกิเลสครอบกามถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงาจิตมันก็ไม่บริสุทธนะิ์สุขสูงสุดคือสุขที่จิตไม่มีกิเลสเป็นจิตอิสระจากกิเลสเสุขที่บริสุทธิ์ นี่คือสูงที่สุดแล้วต้องกลับมาเกิดให้เป็นทุกิ์อย่างผมเนี่ยใครว่าความสุขทางกายหาง่ายดูมาให้ดีนะพิจารณาใหม่ดูตัวเราซิว่าโอสุขทางกายมันดูจากตรงไหนเนาะมันง่ายไอที่เราคิดว่ามันไม่ที่มันไม่คิดว่ามันไม่ทุกข์มันสุขเนี่ยเพราะเราไม่ได้ดูตัวเราใช่ไหมเราเสพสิ่งายนอก ความสงบก็ดีหรือทําความดีก็ดีเล่นอินเทอร์เน็ตดูทีวีเราไม่รู้ว่าร่างกายเรามันทุกขขนาดไหนแล้วก็แต่ไปเพลิด อ, อยู่ข้างนอกเนี่ยบาทีร่างกายมันก็ฟ้องก็ประท้วงนะบอกนี่นี่มันเมื่อยแล้วนะขยับสักทีนี่มันดึกแล้วเนี่ยนอนได้แล้วบางทีมันประท้วงนะไม่อยากจะบอกเรา เราก็ไม่สนใจว่าไอ้กีฬาสีก็กำลังมันแข่งกันไม่เลิกใช่ไ่มสุขทางกายเนี่ยมันมันหาได้ยากมากที่จริงมันไม่มีนะสุขทางกายเนี่ยไอ้ที่เราคิดว่ามีเนี่ยคือเราเปลี่ยนเราแก้ไขมันอยู่เรื่อยถ้าตูทางกายมีเนี่ยลองหยุดหายใจส <c oughs> ิลองหายใจทักพักเนี่ยรู้สึก เครียดมากหรือไม่ขยับตัวนั่งนิ่งๆหรือไม่กระพริบตาออไม่กระพริบตานี่ไม่ถึงไม่ได้หลับตานะาลืมตาเสมอๆหลับตาวัดไม่ได้จิ้มเผลอหลับเลยร่างกายมีแต่ทุกมีแต่มีแต่เรื่องของความทุกข์ตรงนั้นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตื่นเช้ามาก็เริ่มแล้วนอนนิ่งๆก็ไม่ได้ต้องขยับตัว อยากนอนต่อก็นอนต่อไม่ได้ต้องข้าห้องน้ำต้องไปขับถ่ายขับถ่ายก็ผิดหวังอีกถ่ายไม่ออกต้องผูกลำบากอ่ะต้องดื่มน้ำอีกอยากกินน้ำไม่ได้มากๆก็กินได้ทีละจิตร่างกายต้องจัดระบบให้มันมันมีทุกที่ต้องแก้ไขทั้งนั้น อ, อ่ร่างกายมีแต่เรื่องผิดหวัง เรไปคาดหวงังอะไรจผิดหวังเรื่องความสุขที่หาได้ง่ายเนี่ยผมว่าจิตใจเนี่ยมีองค์ประกอบให้เลือดเด่นมากมายเลยตั้งแต่สุขตั้งแต่ทุกข์ตั้งแต่สุขยังมีระดับเนี่ยขั้นสูงสุดคือมารู้แจ้งัวนั้นสุขแบบไม่มีระดับบะดูหนังฟังเพลงกินอาหารอร่อยก็สุกนะแต่สุขเกิดจากการรู้แจ้งเนี่ย มันมีเสน่ห์มากมันแก้ปัญหาชีวิตเราได้ตลอดแม้ร่างกายไม่สุขแม้ร่างกายมีทุกข์ในสภาพใดก็ตามถ้าตูวจักราลู้แจ้งในจิตจะไม่ยึดมั่นถือมั่นนีกายจะเป็นยังไงก็เรื่องของกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นทุกข์แต่เขาไปช่วยเหลือเกี่ยวข้องเนี่ยอย่างวันเช้าเนี่ยเราเรียนเรื่องการดื่มน้ํา เท่านี้ไอ้ดื่มน้าเนี่ยไม่ได้เรียนเนี่ยตอนเด็กๆนะมาเรียนตอนนี้การดื่มน้าไม่ถูกต้องการหายใจถูกต้องการใช้ชีวิตเรื่องของชีวิตดื่มต้องเรียนก่อนมันยังไงใช้ชีวิตได้เป็นบรรจบุรานนี้มาเรียนตอนนี้นี่มันตอนชีวิตจะไม่มีให้ใช้แล้วให้มาหัดใช้ชีวิตตอนชีวิตจะหมดให้ม่มีให้ใช้แล้วสุขภาพร่างกาย เรียนการกินการอยู่ต้องอยู่ในอากาศที่ดีอาหารต้องครบห้าหมูเพื่อเป็นการดูแลทางร่างกายแม่มันเสื่อมสุดมากอว่ น, นี้ไม่ใช่มันดีขึ้นกว่านี้นะมันไม่ดีถึงไหนหรอกสุดท้ายมันก็เน่าขเข้าลุกเพียงแต่แม่มันเสื่อมมากกว่านี้สร้างภูมิต้านทานเขาไว้ เอาไว้ป้องกันโรคที่มันรุมเร้าถึงเวลาร่างกายเสื่อมสังขารโทมโรคแทรกใจจะได้ไม่ต้องเศร้าเพราะเราดูแลมันเรียบร้อ ย, เ, ยเรียกท้องกายเนี่ยมาเจ้าพอกขาพูดกันนี่ผมก็อยากจะออกไปข้างนอกแหมเราดูกายเราเนาะไปทำอย่างเขาเราก็ไม่งทาได้ไม่ได้เหมือนเขาหรอกแค่ขึ้นตาช่างของวีรตุนนี่ก่อน เราก็ขึ้นไม่ได้ไมันจะเลือกปิดหวันนั้นนั้นอ่ะสุขทางกายต้องอาศัยเครื่องวัดจึงจะรู้เนียโอ้ไขมันลงไปแล้วภูมิใจน้ำดีแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ความสูงความอ้วนอะไรต่างเนี่ยโอ้มันอาศัยเครื่องวัดตะตุท้งใจนี่วีลตุไม่มีขายนะ ยี่ห้อดูวัดวัดใจว่าสุขหรือไม่สุขวินาุไม่มีขายนะดิจิตจอนั่นก็สร้างไม่ได้ต้องวัดด้วยใจเราเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตัวเองปฏิบัติตัวเองถึงที่สุดแล้วทั้งทางจิตทา ง, ท ง, ท ง, ทงกายเนี่ยมันสมดุลกันเนี่ยอาศัยการปฏิบัติธรรมนี่แหละเมื่อดูตัวเองพอเข้าใจแล้วมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกาย แต่จะช่วยเหลือดูแลร่างกายอย่างถูกต้องด้วยสติปัญญาเนะี่ยอย่างอย่างตอนเนี้ยอย่างรู้ได้เลยว่าเนี่ยคนบางคนนะสุขภาพร่างกายดีดีดูภายนอกแล้วอืมโอเคแต่จิตใจอาจจะเศร้าหมองก็ได้อาจจะมีเรื่องราวเครื่องกังวลมากมายนะ ดูแค่ภายนอกแต่บางคนเนี่ยดูข้างนอกแล้วดูแล้วดูติดน่าจะเป็นทุกข์นะแต่ใจมีความสุขได้นะสกเกตดูภายนอกแลยเขาจะรู้ระเว่าออกคนนี้จะมีสุขจริงหรือไม่จริงรอยู่ที่สภาพจิตใจที่แสดงสภาพอาการออกมาให้รู้ดูร่างกายภายนอกเนี่ยดูไม่ออกอบางคนอายุมาก ร่างกายทรุดโทมเดินไม่ค่อยไหวแต่ใจเขาดีก็ได้นะไม่แน่สเสมอไปหรอกนะบางคนจิตใจดีบางคนร่างกายดีแต่ใจไม่ดีเนี่ยก็หาได้เยอะ <c oughs> มันจนึงมีสองอย่างกายกับใจอะ่ะถ้าใครดีทั้งสองอย่างทั้งกายทั้งใจเนี่โอโชคดีเลยเกิดมาโชคดีเล ย, ยเนี่ยอันนี้ลาบอันมาเสกไปลาบอย่างยิ่ง ไอ้คุณลุงสุทินมาไหมเนี่ยลุงสุทินอ่าลุงสุทินลงุงนินลองยืดให้ดูเลยสิยืดนี้ยโอ้คุณลุงสุทินอายุเท่าไหร่ครับแปดสิเนเี่ยนี่ดูข้างนอกนะเนี่ยร่างกายเขาเนี่ยสุธินเนี่โรคเยอะมากเราไปสัมภาษณ์ดูสิ มีโรคภัยอปวดเขาปวดหลังเจอครุลงทนนั้นก็คุยกันเรื่องโรคแต่ร่างกายอมโรคแต่ใจไม่อมทุกข์อ่ะโอ้ในจิตใ จ, จใน่องสไปไปฏิบัติไหนก็เจออายุแปดติบแล้วควรอยู่ที่บ้านก็ไม่ออกมาทาหน้าที่อยู่กับอารยนมิตรเนี่ยนี่ผู้เรียกสวอนะสอนอไปว่าอะไรสุขทุกวัน อ, อย่าให้สวเป็นสูงวัยที่มันท้อแท้ออกกำลังใจสวสุกทุกวันบางคนบอกสุกว้อย่าไปโวยสุกทุกวันอายุแปดสิสวฝ่ายชายเดีย๋ยวเลือกสวฝ่ายหญิงกันคุณแอดมาหรือเปล่าอ๋อเน่เน่ นี่คุณแอดนี่อยู่ชมรมเพื่อคุณธรรมดูเนี่ยไม่ถามอายุนะเพื่อมารยาทนี่ก็ผมย ก, กันเป็นสวเหมือนกันสวเนี่ยนอกจากจะสวยทุกวันแล้วเนี่ยยังยกระดับสวยทุกวันด้วยเนี่ยเ <c oughs> ออ <c oughs> ต้องว่าผมร้องเพลงให้ฟังได้ ก็เป็นหน้าเป็นตาของชมรมหน่อยเอาขอบคุณไปถามวะโรคอบแค่เจ็บมีเหมือนกันต้องป้องกันเหมือนกันโรคทางกายแต่ใจก็รู้สึกจะผ่อนคลายได้ง่ายกว่าวแล้วดูเดี๋ยววิระวิระอ้าพยายามยืนหน่อยเอวิระเนี่ย เวลาเยี่ก็ต้องคอยลุ้นกันสภาพคุวิลาเนี่ยเป็นอมพลึกครึ่งซีกเลยว่าดูสภาพแล้วดูสภาพร่างกายแล้วไม่น่าจะมีความสุขโอ้สัติเขานี่ยาวมากพูี่ไลก็เป็นเหมือนของเดิมทุกทีอล้เาขาคุณบ้านนั่งลงดูดิแต่เขาก็มีความสุขทำไรตามปกติเลยนะ เนี่ยก็มีความสุขนะนี่ก็สุขทุกวันเหมือนกันเนี่ยทํางานทําหน้าที่ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลืชหอชมลมเนี่ยท่านคุณยานี่พูดไม่ค่อยชัดพูดไม่ค่อยเก่งแต่เป็นประชา ธ, ธรรมพันธ์ของชมลมไอ้ความเป็นประชา ธ, ธรริปันทำให้เขาได้มีความคล่องแคล่วในการพูดจานั้เนเรื่องความสุขเนี่ย เราอย่าไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่ายึดติดว่าร่างกายต้องเป็นสุขใจต้องเป็นสุขจิตใจเนี่ยสำคัญกว่านะเพราะร่างกายเนี่ยยังไงก็มองหาสุขได้ยากมากเลยนะอาจจะอมทุกข์อมโรคก็คืออยู่กับร่างกายอย่าไปเหยียดที่จิตใจอมประกอบอจิตใจเนี่ยสำคัญกว่านะร่างกาย อมโรคแต่ใจไม่อมทุก์เนี่ยผมว่ามันก็มีความสุขทางใจได้เมื่อสุขใจแล้วร่างกายก็ปลอยดีไปด้วยมันมันเขาเรียกว่ามันอาศัยซึ่งกันและกันกายกับใจถ้าใจดีแล้วเนี่ยมันบริหารกายได้ดีมากแล้วเป็นแนะนําบอกนะแนะนำคน อ, อื่นก็ได้นะมีประโยชน์ เ, น <c oughs> เดี๋ยววันนี้มาพูดเรื่องสุขกายสบายใจในห้าวัน เพราะสบายใจเนี่ยมันเหนือกว่าความสุขนะความสุขอาจจะสนุกสนานดูหนังฟังเพลงเป้ น, นแหล่งต่างมันสุขแต่มันสุขแบบสนุกสนานอนะ่ะมันเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเนี่ยก็เหนื่อยแบบมีความสุขมันก็เหนื่อยอะ่ะแต่สบายเนี่ยมันไม่ต้องเป็นเหนื่อยแบบนั้นมันก็สบายใจได้นะสองอย่างเนี่ยมาเพราะฉะนั้นให้มันสอดคล้องไก่สมดุลกัน ทีนี้เราก็จะจะบอกแนะนําวิธีหาความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ขึ้นกับวัตถุอ่ะนะไ้่ต้องขึ้นกับวัตถุหรือสิ่งเสพภายนอกต้องเสียเงินต้องไปรอคิวคนที่ต้องไปรุ่นมันไม่เป็นอิสระเราอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยควรจะยกระดับการแสวงหาความสุขแบบง่ายๆหน่อย แบบไม่ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวสุขระดับที่สูงขึ้นมาหน่อยให้เป็นอิสระจากวัตถุอิสระจากกิเลสอิสระคำอิสระเนี่ยคือไม่ตกเป็นทาสของวัตถุและกิเลสอย่าคิดว่าอิสระที่จะทำตามกิเลสนั้นทำให้เรามีความสุขนะ ถ้าตามกิเลสแล้วมันร้อนร้อนลุ่มลุ่ ม, มูละาถ้าได้ก็ร้อนไม่ได้ก็ร้อนเดีอวกันแต่อิสระจากกิเลสนี่มันมีความสุขอยู่ในตัวเราที่ไม่ต้องพึ่งพาสายสิ่งเหล่านั้นควรจะยกระดับตรง น, นี้ทำได้ไม่ได้ก็ถือเป็นอุดมการของเราไว้ก่อนนะอย่างที่เรามาเนี่ยเรากำลังมาสร้างชีวิตให้แสวงหาความสุขโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับ การดูการฟังสิ่งภายนอกเลยเป็นการแสวงหาควาจากเนื้อจากตัวเราโดยที่ไม่ต้องไปใช้กำลังมากมายเราจะอยู่อย่างไรให้สุขกายสบายใจในห้นาวั น, นถ้าวาันเนี้ยซอมใหมีความสุขได้นะแต่จะอยู่ยังไงให้มีความสุข เราต้องรู้จักอยู่กับปัจจุบันให้ถูกต้องการอยู่กับปัจจุบันที่นี่ให้ถูกต้องเนี่ยมันจะมีความสุขได้ต้องรู้จักวางจิตวางใจนิดนึงนะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแค่ดาบตี๊แสวงหาความสุขโดยที่ไม่ต้องแสวงหาก็ได้นะเพราะชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีปัจจุบันอยู่แล้วใช่ไหม นี่จะอยู่ปัจจุบันได้นั้นต้องมีการวางใจใถูกต้องต้องรู้จักว่าปัจจุบันคืออะไรคือเดี๋ยวนี้ขณะนี้เฉพาะหน้านี้ตรงนี้ก่อนเป็นหลักเอาใจยอยู่ตรงนี้ต้องอรู้จักลืมลืมเรื่องอดีตซะบ้าง ลืมเรื่องราวในอดีตลืมบ้านลืมที่ทำงานลืมลูกลืมทัพสมบัติลืมโรคภัยไข้เจ็บลวนั่งความแก่ด้วยไว้ที่บ้านอย่าพกความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ติดตัวมาปัจจุบันปัจจุบันทุกข์ไม่มีหรอก มีแต่เมื่อเรานึกถึงอะมันอยู่อดีตนะอยู่ที่บ้านเราตรงนู้นนะเอาไว้ก่อนอไว้ก่อนมันมีปัญหาอะไรเราแก้ไขไม่ได้หรอกประตูไม่ได้ล็อกก่อนเปิดเตาแก๊สไว้ตอนนี้ก็แก้ไขไม่ได้แล้วมันมีแต่ความทรงจํามีแต่ความคิดแล้วเอาไว้ข้างหลังก่อนนะเดี๋ยวกลับไปเขาว่ากันใหม่ตอนนี้ขออยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขก่อนนะนะ พอจะลืมได้ไหมวกที่จะตัดสิ่งภายนอกซะบ้างสิ่งภายนอกมันลุมแล้วทำให้ใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันอ ย, อยู่ในบริเวณนี่แหละแล้วก็พยายามที่จะอย่าไปคิดถึงอนาคตพรุ่งนี้ไม่ต้องพูดถึงอย่าไปคิดถึงว่าปุถุจะเป็นอย่างไรถ้าคิดถึงอนาคตมันจะกังวลเพราะว่าอนาคตมันไม่แน่นอน เป็นแค่ความเพ้อฝันผู้นี้มีไหมอ่ะผู้นี้มีไหมเนี่ยอนาคตเนี่ยพู้นี้มันไม่มีหรอกมันมีเพราะเราไปคิดเอาถ้าไม่คิดอันดีก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีมนะแต่รู้อยู่กับปัจจุบันอันดีคือความทรงจําอนาคตคือความฝันความไม่แน่นอนอย่าไปกังวลถึงเพราะเราคิดถึงอนาคตเมื่อไหร่เนี่ยความกังวลมาก่อนมันขาตุลละ ไม่ก็มีการนึกถึงว่าอนาคตจะดีมิจฉาความกังวลอย่าเพิ่มไปนึกถึงเบิกเวลาในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันให้หมดรวมตั้งความสุขที่รอรอคอยด้วยทําได้ไหม <c oughs> ความสุขที่รอคอยในอนาคตนะอย่าไปรอเลยมันเป็นความฝันฝันไม่แน่นอนเอามารวนในปัจจุบันเวลาในอนาคตไม่มีแล้ว เมื่อเวลาถึงอนาคตได้ว่ากันทีหลังแต่ปัจจุบันนี่สุกก่อนให้ท่านวางใจอยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นเวลาที่จริงที่สุดเลย <Yeah. S 1> ตอนนี้จริงที่สุดเลยขณะฟังนี้เวลาจริงที่สุดเลย <Yeah. S 1> ความสุขก็อยู่ปัจจุบันนี้เราจะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างไร ก็ต้องอาศัยความรู้ตัวรู้ตัวหรือรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะผมจะเรียกวความรู้ตัวความรู้ตัวอยู่ที่ไหนปัจจุบันอยู่ที่นั่นสุขก็ตามมานะอยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้ตัวนะเครื่องมือมีอย่างเดียวคือรู้ตัว เออความรู้ตัวนี่มันมันมีคุณภาพมี ม, มีเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตเราเลยนะะ เ, เมื่อเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราเผลอตัวเมื่อไหร่เนี่ยจิตมันก็เลื่อนลอยไปในอดีตอนาคตเห็นไหมเนี่ยอพอมีความรู้ตัวมันก็กลับคืนมาอยู่กับปัจจุบันเหมือนเรามีชีวิตอยู่เหมือนเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้พอเราเผลอเมื่อไหร่แล้วก็ เหมือนเราไม่มีชีวิตยอยู่เลยนะสังเกตดูสิแล้วนู่นลอยไปไหนเ <c oughs> มื่อรู้ตัวจิตมันก็ตื่นอะ่ะมันมันไม่หลับอะ่ะ <c> ฮ <oughs> ง่วงก็ไม่ง่วงนะก็มีความรู้ตัวไม่หลับไหลมีจิตใจที่อยู่กับปัจจุบันนั่นเลยนะเนี่ยเรื่องเดียวคือรู้ตัวอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> ตลอดเวลาห้าวันเนี่ย เคลิ้มการมีความสุขรู้สึกตัวแต่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันเพราะเราไม่มีความรู้ตัวจะทํายังไงให้เรารู้ตัวได้บ่อยๆนานๆอยู่กับปัจจุบันนานๆมันต้องมีแบบฝึกในการปฏิบัตินะเราจรึงมาอยู่ที่เนี่ยมีหลักของการปฏิบัติอยู่หน่อยการปฏิบัติเนี่ยอย่าถือว่าเป็นศาสนาอย่าถือว่าเป็นลัทธิ จะถือว่าเป็นธรรมะอะไรเลยตัว่าเป็นแบบฝึกสาหรับชีวิตเราที่จะให้มีความสุข <Yeah. S 1> ในเ้งการจรรติแบบเคลื่อนไหวนี่แหละ <Yeah. S 1> เป็นแบบฝึกที่ดีให้เราหาบ้านของจิตสร้างบ้านของจิตเป็นเครื่องอยู่ของจิตคือความรู้ตัวเดี๋ยเรามาสร้างบ้านให้จิตอยู่นะ <c oughs> คือความรู้ตัวบ้านของจิตคือความรู้สึกตัวหรือความเป็นปกติที่ไม่วไหวนไวหรือไม่คิดถึงอดีตอนาคตแต่ว่าไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดถึงคราวคิดก็คิดได้แต่คิดด้วยความรู้ตัวเนี่ยมันเป็นอิสระเป็นผู้ที่ใช้ความคิดเหนือความคิดโดยที่ไม่ตกไปท่านความคิดเรามีแบบฝึกการเพราะเวลาเรา เราไม่ค่อยมีอะไรทํำถ้าไม่มีอะไรทำเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านเลยจิตต้องมีอนเนี่ยมีการปรึกเป็นเครื่องอยู่อาจจะเดินจงกรมเดี๋ยวเวลาพระอาจารย์มาก็ใช้พระอาจารย์ท่านจะแนะนําผมเองสอนเรื่องเดินจงกรมไม่ได้หรอก <c oughs> เดี๋ยวว่าอุดอวดอุตริปคนสอนก็เดินไม่ได้แต่เขาเดินจงกรมได้ผมก็เผลอตัวเอง บอกไป ห, หลายคนเหมือนกันคนญี่ปุ่นมาก็สองคนญี่ปุ่นเดินจงกรมนะผู้ภาษาไทยก็ไม่ได้ภู้ภาาอังกฤษก็ไม่เก่งก็บอกเขาเดินแต่เด็กเขาดูก็ไม่ได้เขาก็เดินจงกรมตามที่เราบอกวางจิตวางใจคือผมเคยมีประสบการณ์อยู่บ้านเนี่ยผมเดินจงกรมไม่ได้พ่อผมก็เดินจงกรมให้ดูแล้วผมก็แอบกำหนดตามนะ โอ้ก็เดินจงกรมมีความรู้สึกเหมือนได้เดินจริงๆแต่ก็คือความคิดรู้สึกเมื่อเราเดินจริงๆวางจิตวางใจยังไงมันเข้าใจเลยเดินจงกร ม, มไม่ได้แต่เข้าใจการเดินจงกรมถ้าใครเดินจงกรมไม่ได้เนี่ยมาถามนะบอกวิธีการเดินจงกรมให้พอใครเดินปิดเดินถูกจิตลอยจิตหลง <c oughs> ก็พอจะแนะนาได้เนี่ย สอนมาหลายคนแล้วอันนี้ยหลักให้จิตมีเครื่องอยู่กับปัจจุบันคือการเดินจงกรมเป็นการสร้างบ้านให้จิตอยู่ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นจิตที่ซัดเซไปเนจรไม่ใช่เป็นจิตสำส่อนเป็นจิตที่มีเครื่องอยู่คือการรู้สึกตัวเดินจงกรมแบบรู้สึกตัวหรืออย่างหนึ่งก็คืออยียาบทนั่ง ท่านก็จะมาสอนเรื่องการฝึกการเคลื่อนไหวสติจังหวะยกมือเป็นจังหวะเนี่ยพลิกมือรู้สึกยกมือรู้สึกเอามือก็มารู้สึกพลิกมือซ้ายรู้สึกยกมือรู้สึกมือซ้ายทาไปที you know. ่มือขวารู ah aken, <izon> zaten, ้สึกเนี่ยเคลื่อนมือขวามารู้สึกออกมารู้สึกอาลงรู้สึกขว้ามือรู้สึกตัว เรื่มือซ้ายมารู้สึกตัวออกมาด้านข้างรู้สึกตัวเอามือซ้ายลงมาให้รู้สึกตัวคว่ำมือซ้ายลงให้รู้สึกตัวสิ่ีจังหวะรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการสร้างบ้านให้จิตอยู่เนี่ยใช้วิธีการขยับกายใจรู้ทันขยับกายใจรู้ทันกายอยู่ไหนใจยอยู่ด้วยก็รู้สึกตัวเนี่ยผูกจิตผูกใจไม่เลื่อนไปปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันไม่เลื่อนออกจากปัจจุบันเนี่ย หลักมีสองอย่างคือการเดินจงกรมกับการยมกมือสร้างจังหวะเป็นรูปแบบและนอกจากนั้นก็ไปใช้กับชีวิตประจําวันใช่ไหมการตื่นมาลืมตาตื่นก็รู้สึกตัวเข้าออน้ําก็รู้สึกตัวทานข้าว ก, ก็รู้สึกตัวอาบน้ำก็รู้สึกตัวจะดื่มจะเคี้ยวก็รู้สึกตัวหายใจเข้าออรู้สึกเนี่ยหายใจออกรู้สึกแต่งตัวรู้สึกทุกอย่าง มีส ต, ติตามรู้พอะกายเคลื่อนไหวใจรู้กายขยับใจรู้ mm hmm. yeah. มาเริ่มรู้ที่กายเพื่อจิตมันเข้มแข็ง <Yeah. S 1> ทีนี้ไอ้ที่มีปัญหาไม่ใช่กายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ร่างกายเราใชชีวิตปัญหาคือจิตใจมันชอบคิดไปเมื่อมีความรู้ตัวเนี่ยจิตมันจะไม่คิดไปไหน <c oughs> อยู่กันเนี่ยกัตัว แม้แต่คิดเราก็มีสติรู้ทันในความคิดนั้นๆด้พอรู้ทันปั๊บก็ติดอยู่กับปัจจุบันทันทีว่าจะคิดเรื่องอะไรมีคำคำหนึงที่เราอ่านดูในตอนบทที่เขาเ อ, อ, อะไรโปรแกรมบอกให้เรารู้สึกตัวตื่นตัวนะรู้สึกใจตื่นใจฝึกความรู้สึกตัวบ่อยๆบ่อยๆ จิตมันจะตื่นคาว่าตื่นเนี่คือไม่เข้าไปทรงอยู่หรือจมอยู่ในร่างกายตื่นออกมาเป็นผู้รู้กายตอนแรกเป็นผู้เป็นกายเป็นกายเสเองเลยกายป่วยใจก็ป่วยกายแก่ใจก็แก่กายทุกข์ใจก็ทุกข์นี่ยังไม่ตื่นนะนะ <c oughs> มันยังหลับอยู่กับการทรงจนอยู่กับกายที่มันเคลื่อ น, น, นไหวที่มันทาหน้าที่ แต่เมื่อรมีความรู้สึกตัวแต่ละครั้งมันติดมันตื่น เ, เรียกตื่นรู้ออกมาดูกายเป็นผู้ดู ท, ทําทีดูกายที่มันเคลื่อนไหวตื่นมาไม่จมไม่แช่ไม่ยึดติดกายเป็นผู้เคลื่อนไหวใจเป็นผู้ดูนะตื่นมาเป็นผู้ดูเนี่ยสบายละดูกายมันป่วยดูกายมันเจ็บดูกายมันแก่ดูกายมันตายเนี่ยดูกายมันทาหน้าที่ ดูแลก็ใช่มันทาหน้าที่บางวิธีใช้กาย <c oughs> ใช้กายทาหน้าที่มาจิตที่ตื่นก็จะใช้กายไปทางที่ดีเท่านั้นทุกครั้งที่รู้สึกกายก็ตื่นออกมาจากกายไม่เข้าไปยึดติดปล่อยวางกายเห็นกายสัตว์ากายไม่สัตว์บุคคล ต, ต, ตัวเราเขาออกมาผู้ดูละแต่ไม่หนีไปไหนะอยู่ด้วยกันแต่ว่าทาหน้าที่ต่างกัน พอรู้สึกอีกส่วนหนึ่งคือจิตเวลามันคิดนึกเราอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ก็เพราะว่าไอ้ความคิดปรุงแต่งใช่ไหมเพราะเราคิดปรุงแต่งมากจิตมันก็นเลื่อนลอยไปคิดถึงอดีตใจมันก็นไปทางอาดีตกังวลถึงอานาคตใจก็ไปหมดเลยเพราะว่าใจไม่มีเครื่องอยู่ถูกความคิดแย่งเอาไป การมารู้สึกตัวบ่อยเนี่ยมันจะเห็นความคิดเห็นความคิดเป็นต้นต่อของการทําให้ชีวิตมีปัญหาคือความคิดก็รู้สึกออกมาที่ใจมันก็เตือนออกมาจากความคิดความคิดคืออารมณ์ที่มันมาปรุงแต่งใจเตือนมาเมื่อก่อนนี้รักก็คือเราคิดหลงก็คือเราคิดโกรก็คือเราเราคิดทั้งหมดเลยแต่เมื่อมีความรู้ตัวเนี่ยมันเตือนออกมาจากความคิด ไม่จมช้าในความคิดจิตมาเป็นผู้ดูความคิดความคิดสิ่งที่มาปรุงแต่งส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งคนละอันกันรู้เท่าตันอารมณ์แล้วก็เอาชนะความคิดแบบไม่ห้ามแบบไม่บังคับแบบไม่ต่อต้านและไม่ต่อเติมโดยการปล่อยความคิดผ่านไป มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะจิตมันก็ออกมาอารมณ์หรือความคิดหรือจิตสัตว์วิจิตไม่จัดบุคคลตัวตนเราเขานะเออมาเลยเนี่ยปัจจุบันอยู่ได้ห้าวันอย่างเงี้ยอยู่ได้ไหมเมื่อจิตมันตื่นมาจากความคิดจิตก็จะบริสุทธิ์นะมันจะไม่มันจะอยู่เหนือเรียกเหนือเหนืออารมณ์มันไม่ธรรมดาเหนืออารมณ์เนี่ยเหนืออารมณ์นี่คือเหนือโลกนะ เหนือโลกที่มันมาทางตาทางหูเนี่ยคือโลกโลกคืออารมณ์ <c oughs> เหนือโลกคือเหนืออารมณ์เหนืออารมณ์ก็เหนือความคิดเหนือความคิดด้วยความรู้สึกตัว <c oughs> เป็นตัวสติปัญญาแล้ว <c oughs> ทุกเกิดขึ้นไม่ได้แล้วจิตจะผ่อนคลายทุกวันเนี่ยจิตใจเราไม่ผ่อนคลายหาความสุขไม่ได้ก็เพราะความคิดปรุงแต่งใช่ไหมคิดดี บางทีก็ไม่ผ่อนคลายนะแต่มันดีกว่าคิดไม่ดีหน่อยอ <c oughs> เอห็นไหะคิดดีบางทียิง่งคิดยิ่งเครียดแหมจะทําความดียังไงเนาะจะทํำยังไงเนาะก็ <c oughs> คนติดดีก็ทุกข์มากเนี่ยมันหนึ่งคนคนที่ติดชั่วติดดีเขาเถียงกันคนติดดีบอกแกเป็นคนติดชั่วเข้าคุกซะ คนติดช่วยบอกแกนติดดีไปสีธัญญาสะเพราะมันติดดีมากคิดมากเครียดมากไปสีธัญญาอยู่ที่นี่ก็แร้วเาเรียกอะไรที่นี่สวนปลุ่งแล้วพวกนี้ชอบการปลุ่งไปปลุ่งท่านในสวน เ, เพราะคิดดีเกินไปแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวเนี่ยคิดดีเป็นส่วนมากแต่ไม่ติดดี แต่เรื่องความช่วเหลือล้าจะไม่คิดแม้คิดก็ไม่มีความหมายก็คืออารมณ์อย่างหนึ่งจิตอย่เหนืออารมณ์ด้วยความรู้ตัวเห็นความคิดทั้งดีทั้งชั่วมีค่าเท่ากันมันเหนือมันพ้นแล้วมีค่าเท่ากันชั่วไม่คิดดีคิดแต่ไม่ติดทั้งดีทั้งชั่วเขาเรียกเหนือดีเหนือชั่วนิจิตหลุดพ้นแล้วเนี่ยเนี่ยพาหลุดพ้นเลยเนี่ยเหนือความสุข นี้ไม่ได้แสดงหาที่ไหนนะเพียงอยู่ที่นี่ห้าวันเท่าันเองจิตจะผ่อนคลายจิตจะผ่อนคลายอิสระจากความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้นหเห็นไ่ะเพราะนั้นหนึ่งเดียวในห้าวัน <c ười> คือรู้สึกตัวมันง่ายแค่นเนี้ยพลิกมือรู้สึกก้าวเดินรู้สึก จบในความรู้สึกปัจจุบันเกิดขึ้นเดื่มน้ํำอึกหนึ่งวางรู้สึกตัวปัจจุบันแล้วจบแล้วในความรู้สึกตัวหนึ่งคะแนนได้แล้วหนึ่งคะแนนหายใจเข้าไปรู้สึกอ๋อในหายใจเข้ารู้สึกตัวปัจจุบันทันทีได้อีกหนึ่งคะแนนกับพิ่ตารู้สึกนี่ได้หนึ่งคะแนนนะปัจจุบันเกิดขึ้นง่วงล่วงง่วงนี่ก็ได้คะแนนน ทุกอย่างไม่มีการบังคับแต่เก็บออกมา ร, รู้สึกตัวเพื่อเก็บเกี่ยวคะนในปัจจุบันปัจจุบันให้ปัจจุบันมันต่อนเนื่องจนตัดอดีนาคตไปเลยชีวิตแล้วแต่ปัจจุบันนะมันง่ายเครื่องมืออย่างเดียวรู้สึกตัวเนี่ยมาสร้างที่นี่แหละสร้างที่เนี้ยเหมือนเรามีปากกาหนึ่งด้ามฝึกเขียนที่เนี่ยี่จะไปเขียนที่ไหนเขียนได้ทั้นั้นออา หนึ่งเดียวในห้าวันสร้างชีวิตให้มีสุขในปัจจุบันนะเนี่ยไว้ตาได้ไหมเนี่ยสุขในปัจจุบันหนึ่เงเดียว เ, ยเพราะนั้นการมาที่เนี่ยคือมาสร้างว่าใจจิตอยู่กับปัจจุบันมันเป็นบุญสูงสุดนะบุญที่เกิดจากการภาวนานี่คือการภาวนาพุทธศารรมตั้งหน่อย การภาวนาเป็นบุญสูงสุดเราเคยให้ทานเคยรักษาติลมามากแล้วเคยทำความดีมามากแล้ว <Yeah. S 1> ตอนนี้เราจะมาทาบุญสูงสุดยอดบุญเหนือทุกคือการทำความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเ <Yeah. S 1> นี่ยเป็นบุญที่สูงสุดเลยเป็นกุศลธรรมเลยฝ <Yeah. S 1> ึกเอาไว้ถ้าไม่มีตรงนี้นะ เอเราอาจจะลําบากในวันข้างหน้าก็ได้เพราะถ้าคนไม่มีเครื่องอยู่ของชีวิตเนี่ยมันจะมีความทุกข์มากจิตใจจะฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอย่างสมมุติว่าเรามีความจำเป็นจะต้องอยู่คนเดียวอยู่กับบ้านคนเดียวเคยไหมเป็นแมวเหงาเฝ้าบ้านลูกหลานไปเที่ยวกันหมดให้เราอยู่บ้าน ถ้าอยู่บ้านแบบไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยจิตใจจะฟุ้งซ่านมากเพราะจิตไม่อยู่กับปัจจุบันในจิตมันจะคิดตรุงแต่งเนี่ยมันจะไปเมื่อไหร่มันจะกลับมันกลับมาแล้วมันจะไปอีกเมื่อไหร่มีของติดไม้ติดมือมาฝากหรือเปล่าโอ้สละพัดอย่างไมมีโอกาสเนี่ยและที่สำคัญก็คือสักวันหนึ่งเราต้องไปอยู่โรงพยาบาลห้องไอซียู ห้ามเยี่ยมห้ามประกัน <c oughs> มันไม่มีเครื่องอยู่แล้วมีความทุกข์มากเลยอยู่บ้านจะมีอินเทอร์เน็ตมีทีวีมีหนังสือมีงานให้เป็นเครื่องอยู่แต่ไปอยู่บนเตียงยาววานึงกว้างประมาณเมตรกว่ากว่าเนี่ยเนี่ยกว้างหนึ่งเมตรยาวเมตรยี่สิบอยู่บนเตียงไปไหนก็ไม่ได้ไอ้ดังก่อน้ําเกลื อ, อนี่ก็ออกซิเนจนเจาะหน้าเจาะข้างหลัง ปูแข้งต่างหาก ก, นะกรารการอารวาดจะทำยังไงเนี่ยเมื่อร่างกายหมดหมดอิสระภาพและใจไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะมันทุนทุนลายฟุงสร่านไม่สงบสุขเนี่ยอดอยู่เกินห้าวันก็ได้นะเนี่ยห้าวันเนี่ยฝึกไว้ก่อนนะแล้วมันต้องเจอนะเนี่ยผมผมสังเกตบ่อย เนี่ยหลายคนเวลาผมไปเยี่ยมเยียนโอ้โหน้ำมือสารโรคภัยใครเจ็บไม่มีอะไรามากเลยแต่ใจนี่มันเจ็บกว่าเพราะอยู่กับตัวเองไม่ได้ใจอยู่กับตัวเองไม่ได้ต้องหนีตัวเองไปสเสพอารมณ์ข้างนอกฝึกอยู่แต่อารมณ์ข้างนอกต้องคนนู้นมาเยี่ยมคนนี้ไม่ชอบอย่ามานะรอลูกหลานมาเยี่ยมเนะี่ยอยู่บนที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยรถจ้าเนี่ยผมได้รับมาแล้วนะ อยู่แค่หาวันจะเป็นทุกข์ในผมสามติดกรบวันแล้วสันติกัไปแนละ้วอยู่ได้เดี๋วนี้สบายเลยอยู่บนเตียงก็ได้ไม่ต้องไปไหนก็อยู่ได้ต้องฝึกเอาไว้ถ้าจิตใจจนตุลายเนี่ยเหมือนคนติดคุกเราจะไม่ีอิสระเลยเพราะใจเรามันฟุ้งซ่านปรุงแต่งไม่มีเครื่องอยู่คือความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันต้องฝึกเอาไว้เหมือนอย่าง ผมเคยดูภาพยนตร์เรื่องนะสมัยก่อนเนี่ยผมชอบมากเลยเป็นคอนหนังฝรั่งหนังคนล้าวนี่หนังเรื่องเรื่องปาปิยองใครใครเคย ด, ดูบ้างปาปิยองพระเอกคือสตีฟแม็กควีนกับดัตตินฮอปแมนชอบดาราเ้าติดคุกถูกจำคุกในคุกมืด ใะโอ้โหทุรน ท, ทุลายมากแต่ เ, าเขาใสายการเดินเดินไปเดินมาเดินเพื่อเอาการเดินเป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันอยู่เฉยๆก็คิดมากเพราะมันปรุงแต่งอยคิดมากนะก็เดินยังคิดออกแล้วก็แหกคุกออกมาได้มันเกิดปัญญาจากการเดินมีเครื่องอยู่ในสตินะ่ะ พอสติมาสมาธิมันก็เกิดตามก็เกิดปัญญาโอ้โหออกจากคุกได้อย่างไรดี <Yeah. S 1> ใครเคยอ่านบอดพระเจ้าพิพิสารบ้างพระเจ้าพิพิสารเนี่ถูกพระเจ้าอาชาติศัตูขังคุป <Yeah. S 1> พระเจ้าพิพิสารก็มองดูกุฏิเจ้าแล้วก็เดินจงกรมเอาการเดินจงกรมเป็นเครื่องอยู่อยู่ในคุกได้จนเจ้าอะไรอาชาตัตรูเนี่ย ต้องเอามีดโกนไปโกนที่ประบาทไปกรีดจะได้เดินจงกรมไม่ได้ทำลายเครื่องอยู่แต่เขาไม่รู้นะว่าเครื่องอยู่ของท่านนี่ไม่ใช่ที่การเดินที่ติดใจที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เดินก็รู้สึกตัวได้เนมันเป็นเคล็ดลับของการอยู่แบบแบบมีความสุขผมเคยไปไปพูดในเรือนจำ ให้อ่านหนังสือถ้าบอกว่าผู้ต้องขังเนี่ยอยู่กันเรือนจำได้ไม่มีความสุขเพราะว่าใจมันคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านมากไม่มีเครื่องอยู่เขาทำยังไงเขาก็อาศัยการทำงานการทำอะไรก็มีเรื่องเล่าว่ามีผู้ต้องหาคนหนึ่ง เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงถูกจำคุกห้าปีเนี่ยยกตัวอย่าง5้าปีเลยนะเพราะนี่มันห้าวันอันนั้นห้าปีเขาก็เป็นทุกข์มากเลยติดคุกห้าปีเข้าไปวันแรกเนี่ยก็เครียดปุ้งซานมาก็ไปเห็นผู้สูงอายคนหนึ่งโอ้เขานั่งร้องเพลงทำเพลง้าเลยไปถามว่าลุงครับ เคลลับบังการอยู่ในคุกอย่ามีความสุขเยี่ยงไรครับอไอหนูนั่งลงก่อนลุงติดคุกมากี่ปีแล้วลุงติดมา20กว่าปีแล้วลุงต้องโทษอายุต้องติดคุกกี่ปีตลอดชีวิตโอ้ตลอดชีวิตแล้วติดไป20ปีเนะี่ยยังยังร้องเพลงได้อย่างนี้นะติดจนหนุ่มจนแก่แล้ว <c oughs> มไม่เป็นไรเยียสอนวิธีติดคุกอย่ามีความสุขให้สามอย่าง นะสามอย่างจำไว้ตัดญาติข้างนอกสร้างญาติข้างในแล้วก็ตั้งใจติดคุกเออล อ, ลองเพลงได้ น, <c oughs> นี่พวกเรา <c oughs> ผมไม่ได้สอนวิธีการติดคุกห้าวันอย่างมีความสุขนะ <c oughs> มาบอกว่าเคล็ดลับต้องการอยู่ที่นี่สุกกายสุขใจในหว้วนอ้าวันย่งมีความสุขเนี่ย ก็มีเคล็ดลับบางกันคิดออกได้สามอย่างให้ท้องมาพร้อมกันเคล็ดลับบางการสุกกายสุกใจในห้าวันหนึ่งลืมเรื่องข้างนอกว่าพร้อมกันลืมเรื่องข้างนอกมองเรื่องข้างในตั้งใจรู้ตัวอ่ะ ไว้ได้ไหมลืมเรื่องข้างนอกไว้ชั่วคราวก่อนยังไงก็แก้ไขไม่ได้เป็นคืออดีตไปแล้วนมองเรื่อ ง, งในคือมองตัวเรามองด้วยความรู้สึกตัวคือการปฏิบัติธรรมฌานคือตั้งใจรู้ตัวสร้างบุญสร้างบุญสนะจะอยู่เปล่าๆในอาวันนะลืมเรื่องข้างนอกคือลืมอดีตลืมสิ่งที่ผ่านมาแล้วเมองข้างในก็มองตัวเราเอง ตั้งใจรู้ตัวได้ไหมหนึ่งคือสองสามอ่าไม่ตั้งใจติดคุกนะตั้งใจรูดตัวบุญทั้งนั้นเลยเนี่ยเคลมการมีความสุขในห้าวันนะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะที่เราควรจะสะสมเอาไว้เนี่ยเรามาอย่างเนี้ย ข้ออย่างเงี้ยเป็นข้อที่ไม่ธรรมดาตอนแรกผมยังบอกอาจารย์สนใจบอกกับคุณแซลวว่าเอ้สุขกายสุกใจในห้าวันเนี่ล้วจะเปลี่ยนสมัยนะบอกบรรลุธรรมในห้าวันบ้างไม่ได้หรือบรรลุธรรมได้ในห้าวันเนี่ยสุกกายสุกใจเนี่ยมันมันยังไม่ท่าบรรลุธรรมนะ บรรลุธรรมในห้าวันเนี่ยเนี่ยวันอะไรวันเสาร์อาทิตย์จันทรังคารพุธมันมีสิทธ์บรรลุธรรมได้ในห้าวันเนี่ยถ้าจะว่าเจ็ดวันละอ่าเหลือไปห้ากว่าห้าอังคารวันพฤหัสจักรสุก็เว้นไว้ก่อนมันอาจจะมบรรลุอะไรนั้นก็ได้ทําไมไม่ทําอย่างนั้นบ้างแล้วเวลาเราจะตายแล้วก็ตายในห้าวันได้เหมือนกันนะเสาร์อาทิตย์จันทรังคารพุธเราอาจจะตายในห้าวันนี้ก็ได้ ตอานี้เอากันแบบนั้นมั้งอ่ะเพาเราไม่แน่ใจหน้าห้าวันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะมันมีโอกาสได้บรรลุธรรมในห้าวันเนี่ยมันเคยมีแะเนี่ยการจาัดคอร์สแบบเนี่ยจัดคอร์สแบบเนี่ยมีคนตายในห้าวันด้ว ย, ยที่เชียงรายนะผมก็ไปมาเนี่ยคุณลูกสุทินไปป่ะห้าวันคุณคุณนทัทธีรีเนี่ยไปคุณอะไรสุนันทาเนี่ยคุณตีนะ่าได้ไปไหม อไปที่เชียงรายเนี่ยจัดคอร์สแบบนี้อาจารย์ทรงสิลป์อาจารย์ทรงศิลป์เป็นพระมิตน า, าจารย์ด้วยนะในคอร์สนั้นนะ่ะผมก็ไปด้วยที่เชียงรายมีผู้สูงยุตายในห้าหวันเขามีเขาเป็นเป็นโรคหัวใจนะหัวใจก็เลยอาจารย์ศิลป์เลยจัดคอร์สของกิจกรรมเ อ, อแม่กับลูกแสดงความรักกัน โอ้ผมลูกพูดลูกพูดยังไงลูกแม่ปีติรลปีติหัวใจกำเริบตายจากมนุษย์ไปเกิดที่สุกติเลยจิตที่มันมีปีติเต็มล้นเนี่ยถ้าจิตที่ตรงไปดับในตอนนั้นน่ะสุกติเป็นที่หวังได้คือภาวะความเป็นมนุษย์เนี่ยพักไว้ไม่ได้ต้องไปเป็นเทวดาแล้วไปอุปัตในเทวดาเห็นปะ โอ้มันคุ้มค่านะเนี่ยถ้าไม่มีปิดตัวนี้อาจจะไปตายในห้องไอซีูก็ได้เพราะโรคหวัวใจอ่ะต้องเข้าออกโกรงพยาบาลบ่อยโชคดีเลยนะเนี่ยกำลังแสดงกิจกรรมทำกิจกรรมมาลูกพูดมาแม่ปิติคุณตีน่าเข้าไปช่วยประคองตายค้ามือคุณตีนาาเลยช่วยเ้าตายค่ะ <laughs> เนี่ยตายันมีความสุขนิดไม่ได้มาพูดในท้อแท้บอกกาลังใจนะ มาให้สุขกรารสุกายในห้าวันไม่ใช่มาให้ตายในห้าวันคือจะบอกว่าคนเรามีโอกาสทั้งนั้นนะทั้งบรรลุธรรมได้ในห้าวันแล้วก็เสียชีวิตได้ในห้าวันเหมือนกันเราจะเลือกตรงไหนเนี่ยเรามีโอกาสเลือกบรรลุธรรมในห้าวันนะไม่ให้เลือกตายในห้าวันแม้บรรลุธรรมในวันแล้วตายก็ไม่เป็นไรเราเพราะว่าเอาความเป็นมนุษย์รักไม่ได้ เอไปอุบัติในสู่สุขติภูมิดีกว่านะนไหนๆต้องตายแล้วเราปฏิบัติห้าวันนี่แหละ <c oughs> รู้สึกเป็นไงใจฟอ <c oughs> เอาหน่าอย่าไปกลัวเลยถ้ากลัวตายก็ตายทุกวันนะ่ะ <c oughs> ถ้าไม่กลัวตายไม่ค่อยตายแล้วคนเราเนี่กลัวตายเนี่ย กลัวตายแต่ไม่กลัวเกิดเพราะกลัวตายเวลาเกิดเราก็สรนเสอรเรื่องความเกิดุู้เจ้าว่าการเกิดทุกพลาเป็นทุกข์ร่ำไปเพราะเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย <Yeah. S 1> เนี่ยกลัวตายก็เรียกกลัวระดับแต่ก็เรียระดับต่มหน่อยถ้ากลัวเกิดนี่ระดับสูงนะพระริเจ้าพระอริเจ้าในกลัวเกิด พอเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งเกิดแนละ้วปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดเนี่ยแต่แล้วสติรู้ตัวไปเรื่อย่มันก็ไม่เกิดนะไม่เกิดก็ดีไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายนี่ก็นิพานไปเลยนิพานไม่ใช่ไม่ถึงตายไม่ถึงว่าเย็ดอกเย็นใจใช่ไหมยกระดับความกลัวสักหน่อยกลัวเกิด ถ้ากลัวตายเนี่ยมันระดบับต่ำถ้ากลัวตายมันก็ต้องตายตายทุกวันถ้ากลัวทุกทีตายทุกทีเคยมีพุทธภาษิตตลอดสมัยผมเกิดมานี่ก็ได้ยินมาแล้วคำนี่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะที่บอกว่าอะไรอรโครคยาปรมาลาพาความ ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนะต้องแปลใหม่นะความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งปรามาเน่ก็อย่างยิ่งปรามานี่พานางปรามังสุขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งเขาไม่ได้บอกนิพานเป็นสุขอันประเสริฐนะนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งอะโลกยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง ท่านไม่ได้เน้นโรคทางด้านร่างกายท่านเน้นโรคทางด้านจิตใจคือโรค ก, กิเลสเรื่องร่างกายนั้นเราไม่สามารถจะห้ามโรคได้หรอกแต่จิตใจเนี่ยห้ามได้เอาชนะได้โรค ก, กิเลสคือโรคความโลภความโกรธความหลงเพราะกิเลสทําให้จิตใจมันเร่าร้อนจิตใจเรอาร้อนทุรนทุรายอยู่ร้อนนอนทุกข์ มันก็ทําให้เราต้องเป็นทุกข์ถ้าหากว่าไม่มีโรคกิเลสนี่ยเป็นจะเป็นความสุขสูงสุดเลยความสุขสูงสุดคือความสุขที่จิตไม่มีกิเลสะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเจริญสติเนี่ยแต่จะพบกับสุขสูงสุดของจิตใจคือสุขทางนิพพานคือสุขเย็น สุขสงบเย็นเย็นอกเย็นกายเย็นใจอยู่เย็นเป็นสุขคือสุขในนิพพานใช่ไห ม, มต่อมาจิตใจนี่มันไปได้ถึงนิพพานนะพ้นทุกข์ไปเลยแต่ร่างกายนี่มันไปได้ไม่เท่าไรหร่แล <Yeah. S 1> ้าดังนั้นการดูแลร่างกายการทําจี้กงออกกําลังกายทำํำไปเถอะแต่ลืมสุขทางใจอย่าลืมสร้างเอาไว้เคลื่อนไหวไปทําจี้กงก็ให้รู้สึกตัว ทำอะไรก็รู้สึกตัวขยับกายใจรู้สึกทันทีขยับกายจะรู้ทันร่างกายก็ได้มีความสุขจิตใจก็พลอมีความสุขด้วยถ้าใจมีสุขสุขภาพร่างกายก็ดีดีตามกันมาว่านิ้พานังประวังสุขางนะนิพานไปสุขอย่างยิ่งเนี่ยคือสุขแท้ทางธรรมเป็นสุขแท้ด้วยปัญญาก็สุขตัวนี้หละ่ะนะลื่นนะเนี่ย สุขกายสุขใจในห้าวันเนี่ยก็มีเคล็ดลับสมบูรณ์อยู่แล้วอาระก็ขออวยพรทุกท่านเนี่ ย, ยจงมีความรู้สึกตัวจิตที่รู้ตื่นเบิกบานสัมผัสกับความสุขคือความสุขที่เกิดจากจิตใจที่สงบร่มเย็นเนี่ยเป็นสุขทางใจสุขสงบเย็นเนี่ยคือสุขแท้ทางธรรมสุขแท้ด้วยปัญญานะ ให้เกิดขึ้นกับจิตของเราได้ทุกท่านทุกคนเถิดท่านใดมีคำถามอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะอนะขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์กําพลสองข้อนะครับข้อแรกออรบกวนนิยามคำว่าสตินะครับข้อที่สองเวลาคนที่ปวดแสนสาหัส ด, ด้วยโรคมะเร็งเนี่ยนะครับแล้วเขาจะต้องอยู่กับความเจ็บปวดในปัจจุบัน จะมีวิธีที่จะให้คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเจริญสติยังไงในขณะที่มันเจ็บปวดขนาดนั้นนะครับมีสองคำถามครับผมสติหรือความรู้ตัวเนี่ยคือความระลึกได้ความระลึกได้ระลึกได้ว่าตัวเรายังมีอยู่นะเรายังมีชีวิตอยู่ ไม่ลืมไม่หลงไม่ลืมจิตใจไม่เลื่อนลอยเนี่ยสติคือความไม่หลงไม่ลืมความลึกได้ใจไม่เลื่อนอยรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยยังมีอยู่เรียกว่าสติสมปรย์ดียังมีอยู่ซึ่งมีอยู่ในทุกคนทุกคนที่สติเกิดไม่ได้เพราะเราคิดปรุงแต่ง ถ้าจิตไม่ปรุงแต่งสติก็จะเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเฉพาะที่ปัจจุบัน <c oughs> อนี่ความหมายสติทีนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยด้วยโลภายก็เจ็บอะไรก็ตามมันย่อมมีเป็นธรรมดาคนเราต้องมีเวทนาเมื่อมีร่างกายก็ต้องมีเวทนา เป็นของคู่กันมันเป็นธรรมชาติของร่างกายทุกขเวทนาเนี่ยเขาบ่งบอกเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าร่างกายเขาทนสภาพนี้ไม่ได้แล้วต้องแก้ไขที่เวลาเรานั่งแนละ้วมันเกิดอาการเมื่อยมีเวทนาแล้วแรกทุกขเวทนาเขาจะบอกว่าอ๋อเมื่อยนะเนี่ยโดยความรู้สึกเราก็ต้องเปลี่ยนยาบทใหม่เห็นไหมเนี่ยมันมีประโยชน์ เวทนาล่างกายถือว่าเป็นธรรมชาติที่มีประโยชน์มากถ้าคนไม่มีทุกขเวทนาเนี่ยลาบากมากถ้านั่งแล้วไม่เมื่อยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นขอเรานั่งแล้วน่าขยับตัวนั่งนิ่งๆเนี่ยทำเหมือนก็ถางต้นไม้นั่งนิ่งก็จเป็นแผล ก, กดทับทิกล <c oughs> หลายอย่างเนี่ยอิเลเวตต่างๆถ้ามีการเคลื่อนไหวจะลำบากมาก <c oughs> มเวลาตากแดดก็ต้องร้อน ธรรมดาเราจะได้ข้อล่มถ้าแดาดาดแล้วไม่ร้อนนี่ทํางานได้ทั้งวันนะเนี่ย <Yeah. S 1> มันทําให้ผิวหนังเนี่ยอาจจะเป็นโรคมะเร็งก็ได้ที่ผิวหนังนะ <Yeah. S 1> แล้วเวลาเกิดเวทนาจะทําอย่างไรคือให้รู้เท่าทันให้รู้ความจริงว่ามันเป็นธรรมดาเวทนาเป็นเรื่องของร่างกายนะเนี่ย <Yeah. S 1> เรื่องของร่างกายเราก็แก้ไขไป อย่าถือว่าเป็นเราถือว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างนั้นเองอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอย่าไปห้ามอย่าไปต่อต้านแต่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าใจไปห้ามแม่มันเกิดถ้ามันเกิดใจก็จะเป็นทุกขเวทนาไปด้วยกายเจ็บใจก็เจ็บหรือไปต่อเติมเราไม่น่าไปอย่างนี้เลยเมื่อไหร่มันจะหายจะทาอย่างไรดีไปต่อเติมปรุงแต่ง ทำไมคนอื่นไม่เป็นทำไเป็นที่เรามันกรรมอะไรของเราเนี่ยทุกทางใจเวทนาทางใจก็เกิดขึ้นเนี่ยทุกทรมานกายอย่างเดียวยังไม่เพียงพอยังเกิดทุกทรมานจิตใจใช่ไเนี่ยเราสามารถเลือกที่ใจไม่ต้องทุกข์กับเวทนาทางกายก็ได้เนี่ยเริ่มทำความเข้าใจซะก่อนไม่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วต่อไปในการเข้าไปเกี่ยวข้องนี้สําคัญมากทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับทุกเวทนามันเจ็บมันปวด เราจะเจริญสติถ้าเราไม่เคยฝึกไว้ก่อนเนี่ยมันจะเิญไม่ได้หรอกมันก็จะเจ็บมากพยายามบังคับให้มีสติสติก็จะไม่เกิดมีวิธีการแก้ไขไไหลายๆอย่างเราอาจจะใช้วิธีคิดก็ได้คิดอย่าไปปรุงแต่งเวทนาคิดถึงสิ่งอื่นซะ ที่ไม่เกี่ยวกับเวทนาเอาจิตเ่า้วจะเวทนาซะพอดูเขาไม่ได้แล้วผมเองยังเคยนะ เ, นยเคยใช้วิธีการคิดช่วยบ อ, อะให้มันปวดเถอะเคยปวดฟันอะปวดถึงที่สุดดูที่จะปวดแค่ไหนอาศัยความคิดบวกกับความอดทนความปวดฟันเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งนะเนี่ยมันจะไม่ปวดมากกับปวดหรอกเดี๋ย <c> ว <oughs> มันก็ค่อ ย, อ ย, อ ย, อยต่ำลงใช่ไหม ให้มันปวดสูงสุดเลยแล้วก็ต่ำลงมันจะต่ำลงเห็นเบทนามันเลระแล้วก็จะต่ำลงไปไม่มีอะไรปวดสูงสุดเท่ากับความสูงสุดของความปวดเดียวมันก็ลดลงไปถ้าทนไม่ได้มันก็ตายธรรมดามันก็ทนได้อยู่ที่ความอดทนแล้วก็ดูมันว่ามันจะทนจะปวดสักแค่ไหนมันก็หาย เวทนาทางจิตมึงกันเวล า, าเกิดกากลัวเนี่ยกลัวเป็นเวทนาทางจิตนะไหนใครไม่กลัวบ้างไอ้ความกลัวเนี่ยเราอดทนกับความกลัวให้จุดๆไปเลยให้มันจุดๆทุกความกลัวไปเลยสุดท้ายมันจะหายกลัวไปเองออผมเคยมีเวทนารุนแรงอะด้วยไวม่รู้ทาไงแต่ก่อนไม่เคยฝึกสติผมยังเคยร้องเพลงเลยนะมาก่อนสมบูรณ์ไม่เป็น ร้องเพลงเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงทําไมถึงต้องเป็นเราร้องเพลงที่ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยไม่เป็นไรแล้วบอกเลยว่าไม่เป็นไรร้องเลยเอไม่เป็นไรเลยก่อนชอบฟังเพลงร้องเพลงหนีเวรนาพลากิจไปอยู่กับอารมณ์ที่เราชอบคือร้องเพลงสุตนานอย่าไปร้องเจ็บนี้อีกนานโอ้ ให้มันร่องไปในอื่นหน่อยไปสนใจกับสิ่งอื่นซะโดยการลองเพลงต่อมาฉลาดมาหน่อยใช้การสวดมนต์สวดมนต์นะการสวดมนต์จะทำให้จิตเป็นกุศลเนี่ยสวดมนต์นึกถึงบทสวดมนต์เน่ยสวดมนต์ที่ก็บทตัหลังเนี่ใช้คาบริกรรมก็ได้พุโ้โธพุโ้โตคนที่เคยชอบบริกรรมนับถือศาสนาไหนก็สวด ส่ได้ ร, รับถือพลาดจิตออกจากทุกเวทนาซะเี่อาศัยวิธีเนี้ยมันช่วยทําให้จิตใจเนี่ยไม่ผูกพันกับเวทนามากเกินไปมันก็แก้ไขได้เนี่ยอันนี้ไม่ได้พึ่งยาเลยนะพึ่งแก้ความคิดวิธีคิดเราอาศัยความอดทนเนี่ยแล้วก็รู้จักยอมรับมันเนี่ยอันนี้ขั้นอีกขั้นนึงือขั้นเรียนรู้ เรียนรู้ให้รู้ความจริงของชีวิตอ๋อร่างกายมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองเนาะเป็นโรคมะเร็งมันก็ต้องปวดเป็นธรรมดาเนี่ยธรรมดาเลยนะเนี่ยมะเร็งเกาะกินเฉพาะร่างกายมันจะไม่กินถึงใจให้ต้องไปทุกข์หรอกเพราะเรื่องนี้เรื่องของร่างกายล้วนเนี่ยเอากายที่มันทุกเวทนามาเรียนรู้ซะคนที่ปว ด, ดน้อยๆดีเนาะ เลยปวดเพียงแค่นี้ถ้าต่อไปปวดมากนี่จะทนได้ไหมใช่ไหมฝึกมองสิ่งนี้มันมันมันแย่กว่านี้เราจะได้รู้ว่าเออนี่ยังดีกว่านะปวดแค่นี้ดีกว่าปวดมากกว่านี้แล้วปวดก่อนจะตายในี่โอ้ทรมานมากนะต้องฝึกไว้ก่อนเอาทุกเวทนาของกายมาเป็นแบบฝึกในการทำให้จิดมันเข้มแข็งแล้วก็รู้ความจริงของมัน บางคนยังเคยคิดนะเขาคิดดีมากบอกว่าเวลาเกิดทุกเวทนาทุกตางกายดีแล้วชดใช้นี่กรรมมันให้หมดต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมาปวดแบบนี้อีกนะมอลในแง่ดีบ้าง ก, ก็ได้เวทนาของร่างกายขึ้นอยู่กับวิธีคิดเราคิดให้เป็นบวกเอาไว้เวทนาจะไม่รุนแรงกับน้นจิตใจแม้เวทนาไม่หายใจมันก็ไม่ทุกข์มาก จนกว่าจะรู้แจ้งว่าเวทนาตะเวทเวทนาบริษัทบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเราในฐานะเป็นญาติดูแลคนไข้ดีมีทุกขเวทนามากเข้าไปช่วยปลอบใจช่วยปลอบใจปลอบใจสอนจะทำบ้างก็ได้ถ้าเขาไม่ฟังเราก็ชวนคุยสิ่งอื่นซะชวนให้จิตออกไปอยู่กับสิ่งอื่นอย่าไปเกาะกับเวทนาเนี่ยให้กำลังใจ ช่วยเหลือเขาบีบเขาอะไรเขาเนี่ยเขารู้สึกสบายใจก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เผชิญหน้ากับเวทนาอะไเป็นคนเดียวยังมีคนอื่นมาช่วยเรามีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อมเขียนทั่นอาพาธเป็นมะเร็งตอนล้ำเหลืองอยู่ที่โรงพยาบาลนท่านก็นดูเวทนาเวชชีวิตเขบอกว่าอะไรเวทนาไม่ใช่ชีวิตเวทนาไม่ใช่ชีวิต ไม่เอาชิตไปฝ่าไว้กับทุกขเวทนาลมหายใจไม่ใช่ชีวิตไม่เอาชิตไปฝ่าไว้กับลมหายใจเราไม่มีไม่เป็นอะไรท่านสบายใจลูกศิษย์ยืนอยู่หน้าประตูยืนร้องไห้หลวงพ่อต้องเรียกมาพ่อพูดไม่ได้เคลียร์จดหมายอย่ามาร้องไห้แตนหลวงพ่อเลยหลวงพ่อไม่ทุกข์หรอกอกลับไปบ้านซะขอบใจที่มาทุกข์แทนหลวงพ่อนะหลวงพ่อนอนยิ้มสบาย แต่ข้างนอกร้องไห้แทกตายใช่ไม่มมันอยู่ที่จิตใจเราคนที่ไม่เคยฝึกไว้ก่อนเนี่ยยากที่จะไปฝึกตอนที่มีเวทนามากไม่เคยฝึกวิธีดับไฟพอไฟลุกไหม้ก็จิตใจก็ตื่นนี้เนี่ยนั้นต้องฝึกที่จะเผชิญหน้ากับทุกเวทกับเวทนาสับ้างปวดนิดหน่อยก็อย่าร้องอดโอยยิ่งร้องนี่อดโอยมันยิ่งปวดหนักยิ่งขึ้น ฝึกอดทนฝึกวิธีคิดฝึกมองเวทนานแง่งความเป็นจริงฝึกเจรลสติดูเวทนาเวทนาคือเวทนาสติคือสติมันคนละส่วนกันเวทนาเป็นเรื่องของกายสติเป็นเรื่องของใจโอ้หลุดพ้นเลย <c oughs> คนละส่วนกันเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะท่านใดมีคําถามต่อไปไหมคะยก <c oughs> มือเลยค่ะ โอ้โหรู้แจ้งกันทุกคนเลยนะมีไ้ยคะนาทีทองนะคะจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีนี่เราจะพักแล้วนะคะดีไหม <c oughs> <อ>ย<ด>ิน<า>ดีนะยิน ด, <c oughs> ดีที่จะเป็นกัลยาณมิตรนะเนี่ยพูดคุยได้ที่สุดของทุกของท่านอาจารย์กำพลนี่คืออะไรครับ แล้วท่านอาจารย์กัมพลมีวิธีล่วงทุกนั้นไปได้อย่างไรครับโอ้นี่งาเคลตลาบอกไปแล้วนี่เนียเรื่องเดียวนี้เ ล, เลยใช่ครับรู้ติดตัวนี่แหละตอนนี้ก็มีขึ้นมือรู้ตึกตัวเป็นเครื่องอยู่มันก็ทําให้เกิดการรู้จักตัวเองสุขสูงสุดก็คือที่จะมารู้จักตัวเองตามที่มันเป็นจริงดูว่าเออตัวเองมันไม่มีตัวคนที่รู้จักตัวแต่เมเห็นความไม่มีตัวน่ะคือรู้จักตัวที่แท้จริงถ้าไม่มีตัวแล้วทุกมันจะเกาะที่ไหนอ่ะ มันทุ่มอยู่ที่ตัวเห็นไหมยังเคยยกตัวอย่างบ่อยเนี่ยเวลามีใครมาว่าเราตําหนิเราเนี่ยเพราะเพราะมีเราเนี่ยเราจึงโดนตําหนิโดนว่าถ้าไม่มีเราจะ ก, ก็จะตำหนิใครก็แล้วเจิงกัปพลพูดเรื่องการเคลื่อนไหวมือใช่ไหมครับครับทีนี้ในขณะที่เราไม่ได้เคลื่อนไหวมือแต่ว่าเราทําอิรยาบดอื่นเป็นต้นว่าเราพูดคุยอ่านหนังสือหรือว่าอะไรต่างๆเหล่าเนี้นะครับ วิธีที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยที่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ลมหายใจพุโทโธด้วยเนี่ยอเอาเอาจิตไปตรงไหนครับเนี่ยก็เดีย๋ยวจะบอกตรงนี้ให้เป็นให้เป็นสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้บวชไม่ใช่มีรูปแบบไม่ต้องไปเข้าคลอดอะไรก็ให้รู้สึกตัวกับการใช้ชีวิตปัจจุบันเราเนี่ยกาลังทำอะไรรู้ตรงนั้นแหละเรานั่งรู้ว่านั่งไว้เนี่ยเนี่ยคือรู้ตัวละ คือรู้ตัวว่ากายกําลังทําอะไรหรือรู้ตัวว่าจิตมันกําลังคิดอะไรคือรู้ตัวว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรให้รู้ตัวในขณะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่รู้แบบเพ่งนะรู้แบบรอบๆรู้ว่าเรากำลังทำอะไรนะั่นคือปัจจุบันแล้วนะั่นคือรู้ตัวง่ายๆไม่ต้องไปเพ่ง<อ>ไม่ต้องไปอะไรเก็บรายละเอียดมากไม่ต้องใช้ความคิดมากนะคือรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรนะแค่นั้นเองเนี่ยอยู่อย่างเนี้ย ทำอะไรก็ได้ตามกฎตระเบียบที่ที่นี่เขาตั้งเอาไว้สุกายสุใจในห้าวันนี่แหละก้ามีความรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ในในเนี่ยในกีนเล็กนี่แหละท่านเอง